ยกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบก็ไปดึงอันอื่นมาทําอีกเอาวันโน้นบักอันนี้นบักเลยวุ่นไปหมดไม่รู้เรื่องก็เลยเลิอกอย่างไี้ก็มีฉะนั้นการทํากรรมฐานจึงต้องมาทําความเข้าใจกับเสีก่อนว่าทำไปทําไมทําให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหม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 ทีนี้ท่านว่ามันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์เราก็เลยเอาอารมณ์อันเดียวเล่นอันเดียวอย่าไปเล่นอันอื่นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐ า, านเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหรือให้เข้าพุทธออกโทก็ได้พุทโทพุทโทพุทธโทรหรือว่าเข้าออกจะไม่ว่าพุทธโทก็ได้เมื่อเข้ามันก็พุทเองเมื่อออกมันก็โทเองมันได้ความว่า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 ความไม่เกิดมันก็ต้องมีแน่ท่านก็ทําไปทาไปจนเห็นชัดขึ้นมาท่านพบว่าความเกิดก็คือความที่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นพพเป็นชาติติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมเช่นต้นลํใหญ่ต้นอยู่ที่หน้าบ้านของเราเราก็ว่าเป็นของเราไปดูอยู่ทุกวัน